ธรรมทูตกรรมเมื่อทำตติยะสังคยนาสำเร็จแล้วพระโมคคลีบุตรทราบโดยอนาคตังสยานว่าภายภาคหน้าพระพุทธศาสนาจะหารุ่งเรืองอยู่ในชมพูทวีปไม่ แต่จากไปตั้งมั่นรุ่งโรถอยู่ณประเทศแวนแควนอื่นๆจึงขอพระบรมราชานุภาพของพระอสศกอุปถรัรมภ์จัดส่งสมณทูตให้นำพระพุทธศาสนาไปสั่งสอนนานาประเทศและแวนแควนอื่นๆรายนามสมณทูตที่ปรากฏในปกกณ์บาลีมีดังนี้ 1. คณะมัชติกะไปเผยแผ่พระศาสนาณแวนกาดมีระ และคันธาระปัจจุบันได้แก่แผ่นดินแถบตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียกินเข้าไปจนถึงบางส่วนของอัฟกานิสถาน 2. คณะพระมหาเทวะไปเผยแผ่พระาศาสนานักแคว้นไมหิตมนทนปัจจุบันได้แก่แคว้นไมซอและดินแดนแถบลุ่มน้ำโคทาวารีอยู่ทางใต้ของอินเดีย 3. คณะระรากิตาไปเผยแผ่พระาศาสนาณนวันนาวาสีประเทศได้แก่แว่นแค ว, ว้นกนราเหนือทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียในมหาวังสะว่าครั้งนั้นมีวัดทางพระพุทธาศาสนาเกิดขึ้นณดินแดนนั้นถึงห้าร้อยอาราม 4. คณะพระธรรมรักขิตท่านผู้นี้เป็นฝรั่งชาติกรี และดูเหมือนจะเป็นฝรั่งคนแรกที่บวชในพระพุทธศาสนาได้ไปเผยแผ่พระศาสนาณะอปรันตกะชนนบทมีผู้สันนิษฐานว่าจะเป็นแถวชายทะเลเหนือเมืองบอมเบยในปัจจุบัน 5. คณะพระมหาธรรมรักขิตได้ไปเผยแผ่พระศาสนาณแคว้นมหาราชปัจจุบันเป็นดินแดนแถบตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากเมืองบอมเบย์หกคณะพระมหารักกิดไปเผยแผ่พระศาสนานโยนกประเทศได้แก่แว่นแคว้นของพวกฝรั่งชาติกรีกในทวีปอาเซียตอนกลางเหนือประเทศอิหร่านต่อขึ้นไปจนถึงเติร์กิสถานเจ็ดคณะพระชิมะและพระมหาเถร่าอีกสีรูปคือพระพัสสะประโคตตหนึ่ง พระโมลกะเทวะหนึ่งพระทุนทพิสระหนึ่งและพระเทวะหนึ่งรวมห้ารูปไปเผยแผ่พระาศาสนาณแคว้นดินแดนแถบภูเขาหิมาลายัย 8. ปดคณะพระสนะนและพระอุตรละไปเผยแผ่พระาศาสนาณดินแดนสุวรรณภูมิสำหรับสุวรรณภูมินี้นักโบราณคดีตแตกมติเป็นสีพวก คือพวกหนึ่งว่าได้แก่แว่นแคว้นเล็กๆในประเทศอินเดียฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้พวกหนึ่งว่าได้แก่หมู่เกาะชวาสุมาตราพวกหนึ่งว่าได้แก่ตอนใต้ของประเทศพามา่าและพวกหนึ่งว่าได้แก่ดินแดนลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตอนใต้ของประเทศไทยมติของสองขวกลางนี้มีมากกว่าเพื่อนแต่ปัจจุบันดูเหมือนน้าหนักจะเอ็นมาทางสุวรรณภูมิ คือตอนลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาภาคใต้มาก 9. คณะพระมหินทระไปเผยแผ่พระาศาสนาณเกาะลังกาในรัชสมัยพระเจ้าเทวานำปิยาติจสะเจ้าแผ่นดินลังกาเสวยราชและพระมหินทระชักนำให้พระเจ้าเทวานำมิตรติจสะเลื่องใสในพระพุทธศาสนาสำเร็จปากหลักของพระาศาสนาได้มั่นคงณนะประเทศนั้น สืบมาจนทุกวันนี้ 1. ปัญหาเรื่องพระเถระสำหรับปัญหาเรื่องพระเถระยุคพระเจ้าอาโศกนั้นข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าพระเจ้าอาโศกไม่ได้นับถือเคารพพระเถระรูปใดรูปหนึ่งเป็นพิเศษโดยเฉพาะเช่นในมหาวังสะหรืออาโศก อวัตานเขียนไว้เลยพระโมคคีบุติสสะก็ดีพระอุปคุปก็ดีล้วนเป็นบุคคลที่มีชีวิตจริงและเป็นผู้ซึ่งพระเจ้าอโศกยกย่องนับถือแต่ชไหนมหาวังสะจึงไม่ให้เกียรติหรือกล่าวถึงพระอุปคุตเล่าเขาพระเจ้าขอตอบว่าพระอุปคุปจะต้องเป็นคณาจารย์องค์สำคัญรูปหนึ่งของนิกายสรวาตติวาทิน เพราะอาโศกอวทานเป็นประกรณ์ที่เขียนกันโดยคันธะรชนาอาจารย์ของนิกายนี้ฉะนั้นธุระอะไรที่มหาวังสะอันเป็นรจนาฝ่ายเทรวาทินจะไปยกย่องคณาจารย์นิกายอื่นซึ่งเป็นคู่แข่งของตนในทํานองเดียวกันอโศกอาวาตานก็ไม่ยอมแย้มพลายถึงเรื่องราวของพระโมคคิลีบุตรติสสะเทระเลย โดยเหตุผลดุดเดียวกันว่าเพราะพระโมคคลีบุตรท่านเป็นคณาจารย์ฝ่ายนิกายเถรวาทินอย่างไรก็ตามในมหาวางาังสะดูเหมือนใจแย้มแย้งอะไรไว้หน่อยหนึ่งก็คือเรื่องพระอินทกุศเป็นแม่ ง, งานคอยคุมสร้างอโศการามพระอินทกุศรูปนี้ข้าพเจ้าปรารถนาจะกล่าวว่าแท้จริงก็คือพระอุปคุตนั่นเองในสมัยพระเจ้าอโศก นิกายของพระพุทธศาสนาทุกๆนิกายจะต้องได้รับพระบรมราชูปถัมภ์เท่าเทียมกันเพราะแม้แต่พาหิระรัติเช่นพราหมณ์และเช่นพระองค์ก็ยังได้รับความคุ้มครองแต่แน่นอนละ่ะการโต้เถียงอภิปรายปัญหาหลักธรรมอันต่างนิกายต่างทัศนะย่อมจะต้องเกิดขึ้นโดยมิต้องกังขาและนั่นแหละ เป็นผลให้คำภีประเภทที่เรียกว่าศาสตร์ได้อุบัติขึ้นและก็ปรากฏว่าพระโมคคะลีบุตรได้รจนาคำภีประเภทนี้เล่มหนึ่งคือกถาวัตถุเพื่อโต้แย้งกับนิกายพระพุทธศาสนาอื่นๆและเพื่อรักษาพระพุทธมติอันบริสุทธิ์ไว้ทั้งมหาวังสะและอโศกอวัตานต่างพยายามจะแสดงว่า พระเจ้าอาโศกเป็นผู้ฝักฝ่ายเลื่อมใสในนิกายของตนจนบางครั้งถึงกับตัดทอนข้อเท็จจริงบางอย่างออกเสียเราะดีที่เราได้หลักฐานจากศิลาจารึกมิฉะนั้นก็คงยุ่งพิลึกในการวินิจฉัยปัญหาเหล่านี้ส่วนเรื่องพระอนุชาของพระเจ้าอาโศกซึ่งบาลีเรียกว่าติดสะและฝ่ายสันสกฤตเรียกว่าวีตาโศกนั้นต้องเป็นเรื่องจริงที่เชื่อถือได้ เพราะกล่าวพ้องต้องกันทั้งสองฝ่ายสำหรับเรื่องพระมหินธระและพระสังฆมิตรเถรีนั้นมีผู้ไม่ยอมรับรองว่าเป็นเรื่องจริงในจดหมายเหตุของสมณะเฮียงจังกล่าวถึงพระมหินธระว่าเป็นพระอนุชาองค์หนึ่งของพระเจ้าอโศกเป็นผู้นำพระพุทธศาสนาไปสู่ลังกาซึ่งเป็นหลักฐานข้อหนึ่งว่า อย่างไรเสียพระมหินทราจะต้องมีชีวิตอยู่จริงเป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปในหมู่พุทธศาสนิกชนแต่โบราณจนสมณะเฮียงจังจดไว้เป็นหลักฐานส่วนที่ว่าเป็นพระอนุชาหรือพระโอรสนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าไม่สำคัญและการที่ไม่ปรากฏชื่อของพระมหินทราในอโศกอวัาน ก็เป็นเรื่องธุระไม่ใช่ของฝ่ายสารวาสติวาทินอีกเช่นกันที่จะไปบันทึกประวัติท่านผู้เป็นกำลังสำคัญของการแผ่ขยายตัวแห่งนิกายเถรวาทินสู่ประเทศลังกาจึงเหลือปัญหาใหญ่ข้อสำคัญอีกสองข้อคือเรื่องธรรมตัติยะสังคยนาและเรื่องธรรมทูตกรรมที่เราจะต้องวินิจฉัยให้เด็ดขาด 1. ปัญหาเรื่องตติยสังคยนาสำหรับเรื่องตติยสังคยนาตามที่มหาวังสะว่าเกิดขึ้นหลังจากการชำระสะสางพวกเดียรถีปลอมพวกนั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าพวกเดียรถีตามวาทะของพวกลังกาแท้จริงคือบรรดาคณะสงฆ์นิกายอื่นๆมีนิกายมหาสังคิตะเป็นต้น และนักประวัติศาสตร์ส่วนมากทางตะวันตกเขาก็เข้าใจอย่างนั้นมันไม่น่าจะเป็นเหตุผลได้เลยในข้อที่พระพุทธศาสนากำลังรุ่งโรดภายใต้พระบรมราชปาปัรร์มีพระเถรานุเถระผู้นำปฏิบัติธรรมและมีธรรมมหาอมารตคอยสอดส่องให้ความพิทักษ์แล้วปล่อยให้เกิดมีคนปลอมบวชตั้งหกหมื่นคนโดยที่ทางบ้านเมืองหรือทางคณะสงฆ์ ไม่สามารถที่จะหาทางป้องกันได้หรือกําจัดได้ถึงเจ็ดปีดูเป็นธรรมดาของนักแต่งประกอบลังกาเสียจริงๆที่ชอบเขียนคณะสงฆ์ฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นอธรรมวาทีบ้างเป็นเดียร์ถีบ้างเป็นอารัชชีบ้างหลักฐานข้อสำคัญข้อหนึ่งคือเหตุผลที่มหาวังสะให้ไว้ว่าเพราะลาบสักการะเกิดขึ้นในหมสงมาก ทำให้พวกพาหิราลัฐทีอดอยากขาดแคลนถึงต้องลักเพศปลอมบวชเป็นภิกษุก็ช่างขัดกับข้อความในสิลาจารึกของพระเจ้าอาโศกซึ่งแสดงว่ามีพวกพราหม์พาหิระลัตทีได้รับความคุ้มครองอุปการะและเคารพจากพระองค์ดุดกันตลอดถึงสิลาจารึกถึงความอุดมสมบูรณ์และสันติสุขต่าง ซึ่งพระเจ้าอาโศกอำนวยให้แก่นิกรชนจนกระทั่งสัตว์เดรัจฉานเดรถถัถีจำนวนหกหมื่นรูปในปรกรณ์บาลีจึงเป็นคณะสงฆ์ฝ่ายตรงกันข้ามไม่ต้องสงสยัยมีความจริงอยู่ในเรื่องคณะสงฆ์ในรัชสมัยของพระองค์ไม่ปรองดองกันทั้งนี้เพราะต่างนิกายต่างทัศนะ ดังได้กล่าวมาแล้วและพระองค์ก็ทรงขอร้องให้สามัคคีปรองดองกันทุกฝ่ายตลอดจนมีพระราชกำหนดลงโทษแก่ผู้ที่ทำให้สงแตกแยกดังจารึกที่สารนาศกล่าวว่าเทวะนัปิเยปิยทัสิลาชาเอลปาตลิปูเตเยเกนปิสังเคเพตเวเอจุงโข พิกุวาสังเคภากาติเสโอทาตานิทุสานิสังคังปาเยยิอนาวาสาเสอาวาสิยิยังเวหังอิยังสาสเนพิกขุสังฆะพิกขุณีสังฆสิวิมาณะาปยิตะวิเยปแปลว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีญาัศสีผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพมีรับสั่งว่า ใครๆก็ตามไม่พึงทำสง์ให้แยกแตกกันถ้ามีภิกษุใดก็ดีภิกษุณีใดก็ดียังสังคเพศให้เกิดขึ้นจงศึกเสียจากสมณะเพศนุ่งห่มสีขาวคือให้เป็นอุบาสกอุบาสิกาและไปอยู่ยังสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่อาวาดของสง์พระราชดำรัดนี้ได้ประกาศแก่คณะภิกษุและภิกษุณีทั้งปวง นอกจากนี้ยังจารึกในลักษณะคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับกําหนดโทษของการทำสังฆเภศยังมีที่โกสัมพีและสันจิอีกจึงพอเป็นหลักฐานแสดงว่าสังฆมณฑลสมัยนั้นไม่ปกติมีการแตกความสามัคคีกันและข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระเจ้าอาสศกห้ามปราบกำจัดเฉพาะผู้ที่ก่อเรื่องสังฆเภทเท่านั้น ไม่ได้ขัดขวางห้ามปรามไปถึงส่วนรวมแต่ละนิกายจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีนิกายใดก็ตามถ้าทำเรื่องให้สงแตกทั้งนิกายของตนหรือนิกายอื่นแตกกันเป็นต้องถูกพระราชกำหนดให้ศึกจากสมณเพศในมหาวังสะไปขยายว่าศึกภิกษุละกัเพศตั้งหกหมื่นรูปอันหนึ่งตติยสังขยนาเป็นเรื่องมีจริง แต่เป็นการกระทำเฉพาะของคณะสงฆ์ฝ่ายเทรวาทินซึ่งนบััดนั้นได้มีชื่อหมายเรียกว่าวิพัชวาทินพระเจ้าอโศกทรงอุปธรรมและข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์ก็พร้อมที่จะอุปธรรมการสัยนาของนิกายอื่นหากปรากฏว่านิกายนั้นๆจัดทำสัยนาขึ้นบ้าง ตติยะสังขยานาจึงเป็นการซักซ้อมตกลงและชำระตรวจสอบหลักพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์ฝ่ายเทรวาทินให้แน่ชัดลงไปอีกเท่านั้น 2. ปัญหาเรื่องธรรมทูตกรรมแม้ในศีลาจาึกไม่ได้กล่าวถึงสมณะทูต แต่ก็เชื่อได้แน่นอนว่างานธรรมทูตได้ขยับขยายไปโดยกว้างขวางในรัชสมัยของพระเจ้าอาโศกและอาจจะเป็นได้ว่าจารึกศิลาเรื่องสมณทูตถูกทาลายไปจึงไม่ปรากฏหลักฐานถึงบัตรนี้เพราะหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอาโศกมีมากกว่าเท่าที่ปรากฏอยู่หลายเท่านักหลักเหล่านี้บางหลักก็พังทลายไปเพราะธรรมชาติ แต่บางหลักถูกค้นทำลายด้วยฝีมือของมนุษย์โชคดีที่นายคันนิงแฮมโบราณคดีได้ไปนค้นพบหลักฐานที่สถูปเมืองพิลษสาใกล้สัญจิมีพระอบบรรจุอธิธาตจารึกว่าสัปุริศกาสัปโคตสะเหมวัตตาจาริยะสะแปลว่าพระเถระาเจ้ากาสัปยโคต ผู้เป็นครูแห่งชาวหิมมวัดยังพบจารึกอีกว่าสะปุริสะมัชชิมะสะเหล่านี้ตรงกันกันกบข้อความในมหาวังสะซึ่งกล่าวว่าคณะสมณทูตได้ไปเผยแผ่พระาศาสนาหน้าประเทศหิมพานมีพระมัชชิมะเป็นหัวหน้าพร้อมด้วยพระเถระอีกสีรูปมีพระกัสปะโคตตะหรือพระ กายสะปะโคดหนึ่งในจำนวนสี่รูปด้วยนับว่าพระพุทธศาสนาได้แพร่หลายไปสู่นาน า, นาประเทศด้วยอนุภาพของพระเจ้าอาโศกและความเลิ่แห่งพระพุทธธรรมนอกจากแคว้นในประเทศอินเดียและทางแหลมอินโดจีนแล้วครั้งนั้นพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้าไปจนถึงประเทศอียิปต์และดินแดนของแอฟริกาเหนือ แล้วข้ามทะเลไปแพร่หลายในประเทศกรีกในทวีปยุโรปอีกด้วยประเทศเหล่านี้คืออาณาจักรซิเรียมีเจ้าผู้ครองนครคือพระเจ้าแอนติโอโครสที่สองเรียกเป็นภาษาบาลีว่าอันติโยคะหนึ่งประเทศอียิปต์ในแอฟริกามีเจ้าผู้ครองคือพระเจ้าปโตเรเมเรียกในภาษาบาลีว่า ตุระมายะหนึ่งแคว้นมาชิโดเนียนตอนเหนือของประเทศกรีกมีเจ้าผู้ครองคือพระเจ้าอันติโกนเรียกในภาษาบาลีว่าอันติเกนะหนึ่งประเทศเอปุรุษคือประเทศกรีกทุกวันนี้เจ้าผู้ครองคือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มิใช่องค์ที่มาตีอินเดีย เรียกในภาษาบาลีว่าอะลิกสุนทะระหนึ่งและแคว้นไอรีนหรืออติปุริอยู่ทางตะวันตกต่อประเทศอียิปต์เจ้าผู้ครองคือพระเจ้ามาคัสเรียกในภาษาบาลีว่ามคะหนึ่งประเทศดังกล่าวนี้ได้รับพุทธศาสนาในครั้งนั้นด้วยกันและด้วยอิทธิพลของพระพุทธศาสนาได้ก่อกาเนิดลัทธิปรัชญาแบบใหม่ อีกชนิดหนึ่งให้ชาวกรีกคือลัทธิสโตอิสในปีพุทธศักราช330ผู้ตั้งลัทธิเป็นชาวเอเธนส์ชื่อเซโนเขานำเอาหลักธรรมจากพระพุทธศาสนาสั่งสอนในรูปลัทธิใหมายว่าสุขทุกข์ของมนุษย์เราอยู่ที่การปรับปรุงจิตใจและการงานของมนุษย์แต่ละคนไม่ได้อยู่ที่พระเจ้า ถ้าหากว่าเราปรับปรุงใจให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมและสามารถปรงตกในความอนิจจังของสังขารธรรมโดยให้เห็นเป็นธรรมดาแล้วจะมีความสุขลัทธิสโตอิสแพร่หลายขยายออกไปถึงประเทศโรมันและอีก300ปีต่อมาโรมันก็มีจักรพรรดินักคิดซึ่งได้สาธยายปรัชญาอเลอร์ตามคติของลัทธิสโตอิส จกกักพาธพระองค์นั้นคือมาค c สออเรริยุสน่าเสียดายว่าพระพุทธศาสนาที่แพร่หลายเข้าไปในทวีปยุโรปและแอฟริกามิได้ตั้งสังคมณฑลไว้เป็นหลักแหล่งมั่นคงเมื่อปราศจากคณะสงฆ์สืบสายทํารงไว้ลำพังความคิดทางพุทธศาสนาซึ่งแพร่หลายอยู่จึงถูกพวกนักปราชญกรีกและโรมันเอาไปดัดแปลงเป็นปรัชญาของเขาเอง พระพุทธศาสนาจึงไม่ปรากฏในโลกตะวันตกถ้าหากมีสังคมณฑลดำรงสืบสายไว้ซ้ายปานชนิโลกทั้งโลกคงนับถือพุทธศาสนาหมดและดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อัศจรรย์เลยว่าเหตุไรศาสตราจารย์รีสเดวิดจึงสันนิษฐานตามรูปแห่งนิรุกติศาสตร์ว่าคำว่ากอสซึ่งเป็นคำเรียกพระเจ้าในคริสตศาสนา เลื่อนมาจากศัพท์ว่าเขาตามะหรือโคตมะซึ่งเป็นพระนามของพระพุทธองค์ที่พวกพราหมร้องเรียกและคำว่าอัลลาหรืออัลลอฮ์ซึ่งเป็นคำเรียกพระเจ้าในศาสนาอิสลามเลื่อนมาจากศัพท์ว่าอารหันนั่นเอง